เรื่องอนนทาเศรษฐีได้ยินว่าในกรุงสวัสถีเศรษฐีชื่ออานนท์หรืออนันทะมีสมบัติ8ปสิบโกดแต่เป็นคนโรนีมากสั่งสอนบุตรของตนชื่อมู ล, ลาศิริวันละสามเวลาว่าไม่ควรทำให้รัพย์แม้กระหาปหนญหาหนึ่งให้เสื่อมไปแต่ควรทำทรัพย์ใหม่ให้เกิดขึ้น การต่อมาเศรษฐีนั้นตายโดยไม่ได้บอกคุมทรัพย์ใหญ่ฝังดินไว้ห้าแห่งตายด้วยจิตเศร้าหมองเพราะความตรนีหวงแหนในทรัพย์เหล่านั้นเป็นโทสะมัชริ ย, เยะเจตสิกทำกาละแล้วไปถือปฏิสนธิในท้องของหญิงจันทานคนหนึ่งในจันทานหนึ่งพันตระกูลมีอาชีพกรรมกรรับจ้างตั้งแต่เริ่มถือปฏิสนธิของทารกนั้นย่อมไม่ได้ค่าจ้างเลยแม้อาหารสักว่าก้อนข้าว เขาเหล่านั้นคิดเราว่าพึงมีคนกาลกันณีในระหว่างเราทั้งหลายคิดดังนั้นแล้วจึงแยกกันออกเป็นสองพวกจนกระทั่งมารดาบิดาของทารกนั้นอยู่แผนกหนึ่งต่างหากจึงไล่มารดาของทารกนั้นออกจากพวกจนคลอดบุตรทารกนั้นได้มีมือและเท้าในตาหูจมูกและปากไม่ตั้งอยู่ในที่ปกติ ประกอบด้วยความวิกลแห่งอวัยวะมีรูปร่างหน้าเกลียดดุดปีศาจคลุกฝุ่นแม้เช่นนี้มันดาก็มิได้ละบุตรนั้นนางเลี้ยงลูกนั้นอยู่โดยฝื่เคืองในวันที่พาเข้าไปไม่ได้อะไรเลยในวันที่เขาอยู่บ้านแลจึงได้ค่าจ้างต่อมาทารกนั้นโตขึ้นพอสมควรเที่ยวไปเพื่อก้อนข้าวเลี้ยงตัวเองได้ นางวางกระเบื้องไว้ในมือแล้วสั่งเสียลูกให้เที่ยวไปขอทานเลี้ยงตัวเองตามสถานแจกทานคนกําพราและคนเดินทางที่มีอยู่ในนครนี้ทารกนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือนถึงที่แห่งตนเกิดในคราเป็นอนุทัเศรษฐีระลึกชาติได้เข้าไปสู่เรือนของตนพวกบุตรของมุลสิริเศรษฐี และคนรับใช้เห็นแล้วก็มีความกลัวหวาดเสียวร้องไห้พากันไล่โบยตีลากออกไปไว้ที่กองขยะขณะนั้นพระบรมศาสดาสเสด็จบิณฑบาตมีพระอานุนเถระเป็นปัจฉาสมณนะคือเดินตามหลังทรงตรัสบอกพฤติการนั้นแก่พระเถระให้เชิญมูลสิริเศรษฐีมาแล้วทรงเล่า ว, ว่าทารกนี้เป็นอนนทัเศรษฐีบิดาและอย่างทารกนั้น ให้บอกคุมทรับยยใหญ่ห้าแห่งแก่บุตรของท่านอย่างมูลาสิริเศถษีผู้ไม่เชื่อแล้วให้ถึงพระสัสดาเป็นสารณะพระสัสดาจึงตรัสพระคาถาว่าคนผานย่อมเดือดร้อนว่าบุตรทั้งหลายของเรามีอยู่เมื่อตนของตนแลไม่มีบุตรทั้งหลายของตนจะมีแต่ที่ไหนซับทั้งหลายจะมีแต่ที่ไหน อนนทเสถียเมื่อไม่ให้อะไรอะไรแก่ใครๆรวบรวมทรัพ์ไว้เพื่อประโยชน์แก่บุตรนอนบนเตียงเป็นที่ตายในการก่อนถึงทุกข์ในบัดนี้ก็ดีบุตรที่ไหนทรั์ที่ไหนบุตรหรือทรัพ์นําทุกข์อะไรไปได้หรือให้สุขอะไรเกิดขึ้นได้เล่าในการจบเทศนาการตรัสรู้ธรรมได้มีแก่สัตว์แป0 0 เทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนแล้วดังนี้ละ